มหาวิทยาลัยเขาก็สอนให้พวกนักศึกษาทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เห็นเพราะนั้นหลักของพุทธศา ส, สนาจะเข้ามาและจะรู้จักทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องอาศารรัยการได้ยินได้ฟังผู้ที่ท่านเรศึกษาเข้ามาอยู่ข้างในเข้ามาอยู่เป็นสู่วัดวาศาสนาอย่างเป็นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่ออย่างเนี่ยเอ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 ประสบะการณ์มาอย่างไรได้เรียนรู้มาอย่างไรให้แก่คณะรัตยาญาติโยมผู้ที่เข้ามาใฝ่ในการศึกษาในหลักธรรมคาสอนท่านว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นแล้ก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็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 เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นนำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งมิใช่ว่าเรารับมาแล้วก็จะรับไปทั้งหมดไม่ว่าเราจะได้ยินเรื่องอะไรก็อตามเมื่อเราเข้าไปศึกษาหรือเข้าไปปราศัยหรือเข้าไป อ, อบปรมเมื่อวิทยากรเขาบอกมาเขาพูดมาเราก็ต้องฟังเมื่อฟังแล้วเราก็ามากันกรองไตรตรองเป็นไปได้ไหม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 อันนี้คือพระพุทธองค์เทศท่านชมเฉยอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าเชตะวันจากนั้นท่านก็พูดว่าอดีตการเคยมีมาแล้วผู้ที่รักษาศีลโอเบโสดแล้วได้ขึ้นไปสู่ชั้นสวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่อุบาสกอุบาสิกาวัดป่าเชตตวันและพระสงฆ์ที่ได้ยินก็เมื่อพระองค์ทํำ ป, ม, ปมให้ขมวดไว้อย่างนั้น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 รักษาศีลห้าเป็นนิจศีลและรักษาศีลอุโบสถเป็นอนิเลกให้คล้ายกับ ว, ว่ามไม่ใช่ตลอดไปรักษาทุกวันพระอย่างพวกเราท่าน ท, ท, ทั้งหลายแต่ศีลห้านีมีเป็นประจำเมื่อคนรักษาศีลห้าศีลอุโบสถส่วนพระเจ้าแผ่นดินก็ตั้งโรงทานขึ้นมาหโรงทานในเมืองมิถิลามหานคร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 กรุงมิถิลาเนี่ยก็ขึ้นไปตบสันเสริญพระเจ้ามิถิลาโอ้ท้าวว่าเราไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินเป็นคนดีเนี่ยพวกเราจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่บัดนี้พวกเราได้พระเจ้าแผ่นดินมีคุณภา พ, ม, ภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีเมตตาก็แนะนําพวกเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพวกเราก็ได้รักษาศีลรักปฏิบัติธรรมเป็นคนดีพวกเราจะได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง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 ความดีกว่ความชั่วเลยแหมพวกนั้นพวกเราจะไปทางไหนให้ถามตัวของพวกเราเจะนี่พอพระอินทร์มารับพระเจ้าแผ่นดินมิถิลาก็อื้อร่องลอยมาจากอากาศเ อ, อไม่ไปข่าวนี่จะไปข่าวนายไปสวรรค์นนตอนนี้ตกลงไ ป, ไปแหก็ขึ้นไปบนราชเปรตชยานรถของพระเจ้าของพระอินทร์พระอินทร์ก็บอก พระเจ้ามิถิลาก็นั่งอยู่ในในที่ประชุมอํามาตทั้งหลายเออเราไปแล้วนะนะมีโอกาสแล้วเราจริงจะกลับมาเอาพวกท่านทั้งหลายบริหารประเทศชาติไปนะ เ, เราจะไปดูสวรรค์ก่อนตอนนี้นก็พอขึ้นไปบูสูบนชั้นสวรรค์ก็เทวดาทั้งหลายก็ยินดีอนุโมทนาเห็นพระเจ้ากรุงมิถิลาขึ้นไปจากนั้นพระเจ้า พระอิน์ก็บอกเออเมื่อขึ้นมาแล้วก็เอาละข้าพเจ้าจะแบ่งสวรรค์ชั้นจ่าตูมให้ครึ่งหนึ่งเพราะพระองค์เป็นคนดีฮะแต่นี้ก็พระเจ้ามิถิลาไม่ปฏิเสธเพราะเห็นอลังการเขาท่านแบ่งให้อีกจักครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าไม่รับก็จะทำไงก็ต้องรับก็เลยเสเวยความสุขอยู่ชั้นสวรรค์ที่เป็นมนุษย์นะอยู่คึ่งนาน นานถึงเจ็ดร้อปีนะฟังพูดนะคนอายุยืนในยุคนั้นนะทีนี้พออยู่ที่นั่นแล้วก็พออายุมากว่าถึงอายุครบร้อปีแต่ไหนะหมดบุญแด่ไหนะ mm hmm. หมดบุญนะมันหมดเป็นนะกินไปกินมามันหมดนะถึงขนาดสร้างมากขนาดนั้นก็เถนะิะเออมันหมดนะบุญพอหมดบุญเข้ามาแล้กวกวนกว็นกวายแต่ไหนกวนก็วายกระสับกระสายหาความสุขไม่ได้นะก็เหมือนกับ พระเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนะี่ยพอมาบวชเข้ามาแล้วก็ทีแรกเออสบายจิตใจสงบเยือกเย็นดีแต่นี้พอหมดบุญเท่านั้นแหละเออกระวนกระวายทั้งร้อนทั้งร้อนอกร้อนใจทั้งร้อนกายร้อนใจลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เพราะมันหมดบุญเนี่ยพวกเราศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันนะบางท่านบางคนเข้ามาใหม่ๆก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเข้ามาสู่วัดวาศาสนาพอมาอยู่ไปอยู่มาอยู่ม า, อ ย, มาอยู่ไป ผลในส่วนก็หมดบุญอีกก็กร้อน อ, อกร้อนใจอีกคอยดูนะพวกเรานะถ้ามันร้อน อ, อกร้อนใจแสดงว่าเราหมดบุญนะจะอยู่ในหลักอันความร่มเย็นเป็นถุกไม่ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เราพร้อมที่จะเห่นกระโดดลงไปสู่โลกวัฏสงสารเต็มไปด้วยเวรภัยคนหมดบุญนะเพราะนั้น พระเจ้ามิถิลาขึ้นไปอยู่สวรรค์พออยู่ไปนานถึงเจ็ดร้อยปีมีความร้อนใจมีความขาวกระวายจะเข้าไปหาพระอินทร์โอ้ตะก่อนข้าพระองค์ขึ้นมาก็มีความสุขใจสุกกายสบายใจเป็นอย่างมากแต่พอมาอยู่เข้ามาแล้วเนะี่ยมาพอมาถึงจุดนี้เนะี่ยทําไมข้าพระองค์จึงมีความทุ่หลนทุลายอย่างนี้พระอินทร์บอกว่านั่นแหละพระพระองค์ พระองค์บทบุญบุญหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแบ่งให้สักครึ่งนึงนะแบ่งบุญของผมให้อีกนะพระอินกระแสจะใจดีนะนะเราจะแบ่งบุญให้ท่านอีกเนะครึ่งนึ่งพระเจ้ามิทิลาเบาโอกระผมไม่ขอรับบุญของท่านแต่ยินดีที่ท่านมีน้ำใจมีมีความโครโนาต่อผมผมยินดี ในน้าใจของท่านแต่ผมไม่รับถ้าว่ารับบุญของคนอื่นเมื่อรับมาแล้วเนะบุญของคนอื่นไม่ใช่บุญของตนเองถ้าบุญของตนเองถท่าตัวเองสร้างมาแล้วได้บุญมาอย่างไงเราใช้อย่างนั้นก็ดีแต่ในถ้าว่าเรารับบุญคนอื่นมาถ้าเขาใจดีตลอดไปเราก็ให้เราใช้บุญของเขาแต่เมื่อไรเขาเอาบุญเขาคืน ผมก็จะทุกข์ใจอีกเพราะนั้นผมไม่ขอรับครับผมจะขอกลับลงไปสร้างบุญในเมืองมนุษย์อีกสะก่อนครับผมไม่ขอรับครับพระเอ ก, กเออถ้าอย่างนั้นก็ตามอัธยาศัยท่านจะกลับลงไปเมืองมนุษย์ก็ได้จากนั้นมหาตรีเทพประบูตรก็เออเอาส่งพระเจ้ามิตรลากลับเมืองหาเมืองเก่าเขานะพวกเวทช ย, ยัน ราชรถของป้าอินท์ก็รับพระเจ้ามิทิลากลับลงมาพอกลับลงมาก็ลงที่ไหนไปลงที่อุทยานไปลงที่อุทยานพระอุทยานนายอุทยานก็เอ๊เป็นใครพระเจ้ามิทิลากว่าเราเนี่ยคือพระเจ้ามิทิลาลที่ไปสู่สวรรค์เพื่อกลับลงมาแต่ที่ไหนได้พวกอยู่ในนุมมืงมนุษย์เนี่ยตายไปไม่รู้เท่าไหร่เลยตายไปหมดแล้วเจ็บชั่วโคตรละ ทีนี้ก็แต่พระเจ้ามิถิลานุ่นบุญออายุยืน่ะจากนั้นพระเจ้ามิถิลารุ่นหลานรุ่นเหลนเจ็ดชั่วโคตอ่ะเป็นรุ่นที่เจ็ด น, นับจากพระองค์ลงไปพอเข้ามาแห่กบวนเข้ามาเพื่อจะแห่เข้าไปเ อ, อเข้าไปในเมืองก็จะถวายราชสมบัติคืนแต่พระเจ้าแผ่นดินบอกว่าเออหลานเหลนเราเคยเป็นพระเจ้า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 ไม่รับอ น, นิสงส์ที่พระอินทร์แบ่งให้ในข้าวที่อยู่สวรรค์นี่แหละอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการรักษาสินอุโบโโสถนี่ไปสู่สวรรค์ได้นะอนาณาสัตญาติโยมท่านพูดที่ท่านตรัสไว้ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารนั่นว่าสีเลนะสุขติงยันติพูดที่จะไปสู่สุขติได้เพราะสินีเลนะโพคสัมปทา ผู้ที่จะไปมีพระโพธิสมบัติได้เพราะศินสีเลนะนิพุติงยันติผู้ที่จะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะสินศินเป็นพื้นฐานเป็นฐานของคุณงามความดีถ้าคนไม่มีฐานที่ดีเนี่ที่จะก้าวกระโดดไปทางอื่นเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนว่ายน้ําอยู่นะ่ยฐานไม่ดีเนี่ยจะกระโดดไปที่ไหนก็ได้เพียงนิดๆหน่อยๆท่านเองแต่คนอยู่ในฐานที่ดี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 ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอทางพวกเราอยากจะทดลองเลยที่ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วทดลองเลยที่ออกไปนี่ก็ไปตีหัวเข้าไปชกไปอ้นไปฆ่าไปอะไรเขาเข้าผิดกฎหมาย น, ะนั่นแหละทำชั่วแล้วเอไม่ได้ชั่วแล้วเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปเลยแหะท่นนายนั่นแหละอันนี้คื อ, คอทำชั่วมันก็ต้องได้ชั่ววันยังคำ่ำแล้วทำดีละ่ะเอหลวงพ่อพูดให้แก่คณะทัตไทายญาติโยมแนะนําสั่งสอนอย่างนี้ละ่ะ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 ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้ย้าพวกเราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้ขอให้มั่นคงให้แน่วแนว่ให้จริงจังเมื่อเราผ่านพรรษาไปแล้วเราค่อยรับอานิสงส์ทเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพุทธอุดมมงคลพระประธานบนศาลาของเรา คือพระพุทธเถาร่มมงคลเมื่อทั้งจิตทิ่ติฐานแล้วออกคุณสารละเออด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกคุ้มครองข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีตรอดไตรมาสสมเดือนไม่ได้ขาดตกปกพ้องด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้ขอให้บรรลุ น, นบรรดาลขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ตามสมควรแล้วเขาขอให้เข้าไปเจ้าดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเถิดเราก็ตั้งความปรารถนาได้เพราะเห็นหอหไรเพราะเราได้สร้างคุณงามความดีไปแล้วเราก็ขอผลนะไม่ใช่ว่าปุก ป, ป, ป, ปับไปมีแต่ขอนั่นมีแต่ขอนี้ยแต่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างมีแต่ขอเอาขอเอามันก็ยังว่าเลยที ค้ากำไรเกินควรนะหลวงพ่อว่านะค้ากำไรเกินควรนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราก็มีตะขอกับขอมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคณะทายาิโยมลูกหลานนะควรสร้างคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทอตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมธนาให้พร